สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในวันนี้จะข อ, อนำชีวประวัติของท่านอนาถาบิติกาเศรษฐีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังอนาถาบิติกาเศรษฐีท่านเป็นรียอุบาสกผู้ชอบบริจาคทานอย่างยิ่งจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพราะท่านไม่เคยเสียดายทรัพย์ในการกระทําบุญให้ทานเลยจะหมดเท่าไหร่ไม่ว่า จึงได้รับยกย่องเกียรติคุณสูงส่งที่สุดในพระพุทธศาสนาว่าธนนาถมิติกะเศรษฐีอุบาสกผู้ยอดเยี่ยมในด้านการถวายทานชีวประวัติในอดีตชาติของธนนาถมิติกะเศรษฐีอุบาสกได้มีบันทึกไว้ในอันตรกรถาคำพีมโน ร, รัฐปุรนีที่ขยายความบาลีคำพีอังคุตรนิกายเอกนิบาตว่า ในเวลาหนึ่งแสนกับร่วมมาแล้วโดยนับย้อนหลังกลับไปจากพัทธรกับนี้ตรงกับพุทธการแห่งพระปฐมุ ร, รสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนาถบิกาเศรษฐีในการนั้นได้เกิดขึ้นในตระกูลหนึ่งในพระนครหงสวดีวันหนึ่งเมื่อท่านเจริญวัยใหญ่กล้าแล้วท่านมีโอกาสได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระ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 คำว่าสุทัตตะก็แปลว่าผู้ให้ดีต่อมาภายหลังสุทัตตะมานพได้ดำรงภาวะอยู่ในการครองรื่นมีภรรยาชื่อบุญยลคณาเทวีและมีบุตรสาวสามคนชื่อมหาสุพัทธาจุลาสุพัทธาและสุมนาเทวีและมีบุตรชายชื่อกาละ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 ผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาก็นว่าเป็นชื่อที่บังเกิดขึ้นจากประชาชนคนทั้งหลายพอใจในการกระทำคุณงามความดีของท่านก็จึงขนานนามท่านว่าอนาถาบินธิกะเพราะคุณความดีที่ท่านได้กระทำแล้วนั่นเองท่านจึงได้ชื่อนี้และเป็นชื่อที่เกิดขึ้นตามที่ท่านกระทำดีไว้ใน อดีตชาติแล้วปรารถนาไว้ชีวประวัติของทัตนาถบิติกษเศรษฐีนอกจากมีกล่าวไว้ในอันตกระถาคัมภีมโมรัฐาปุรณีเจ้ ก, ก็ยังมีกล่าวไว้ในอนาถปิดกษัตริหปฏิกถ า, าสันติเกนิทานคัมภีนิบาศชาดกในบาลีเสนาสนะขันธกะคัมภีจุลวัคพระวินยัยปิฎก และในบาลียกขาสังยุตคัมภีร์คุตตกนิกายสขาทวักแห่งสุทัตโตรดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าศรีตะวันเขตพระนครราชครึกทานานาถบิติกะเศรษฐีผู้เป็นน้องเขยของท่านราชคราเศรษฐีชาวพระนครราชครึกแต่บางคัมภี์ว่า ท่านเป็นสหายกันครั้งหนึ่งท่านอนาถบิติกะเศรษฐีบรรทุกสินค้าใส่เกวียนห้าร้อยเล่มแล้วนํากองเกวียนเดินทางออกจากพระนครสาวัตถีเดินทางไปค้าขายที่พระนครราชครุโดยได้ไปพักที่ดิเวศของท่านราชกฤหาเศรษฐีคราวนั้นท่านราชกราหาเศรษฐีได้นิมนต์พระพิสุสง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 ได้เคยมาพักที่เรือนของท่านราชคราเสฐีทุกครั้งที่เดินทางมาถึงพระนครราชคระสแต่การมาพักครั้งนี้มีเหตุการณ์ผิดแผกแปลกไปจากแต่ก่อนจนทำให้กรา บ, บดีคิดว่าเมื่อครั้งก่อนเรามาถึงแล้วท่านราชคราเสฐีต้องหยุดพักกิจธุระทั้งหมด แล้วมาแสดงความชื่นชมยินดีและสนทนาปราศัยกับเราผู้เดียวส่วนครั้งนี้เขามีทีท่าเปลี่ยนไปเขามัมสารบุญสั่งพวกทาสและกรรมกรให้ตื่นแต่เช้ามืดให้ช่วยกันหุงต้มทำอาหารที่มีรสอร่อยบางทีเขาจะมีงานอาวาหมงคลงานอาวาหมงคลก็คือการนำ เจ้าสาวมาแต่งงานที่บ้านเจ้าบ่าววิวาหะมงคลหมายถึงการนำเจ้าบ่าวไปแต่งงานที่บ้านเจ้าสาวหรือประกอบพิธีบูชามาหายญา์หรือกราบบ่งคมทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพ์พิสารพร้อมทั้งพลเรกายมาเสวยในวันพรุ่งนี้หรืออย่างไร ครั้นทนราชกษรายเศรษฐีสั่งพวกทาสและกรรมกรเสร็จแล้วจึงไปหาธ น, นานาถมินิกะเศรษฐีและนั่งสนทนากันณนะที่ควรส่วนข้า้งหนึ่งทา น, นานาถมินิกะเศรษฐีถามท่านราชกราเศริย์ว่าเมื่อก่อนพอข้าพเจ้ามาถึงท่านได้หยุดพักกิจธุระทั้งปวงแล้วมาแสดงความชื่นชมยินดีและสนทนา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 ท่าราชกริเสรษฐีจึงตอบว่าท่านกระบดีข้าพเจ้าไม่ได้มีงานอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลและถึงแม้พระเจ้าพินดินตลอดกระทั่งหมู่อมรราเชเสวกก็ไม่ได้กราบบ่งคมทูลเชิญเสด็จมาเลยแต่ข้าพเจ้าจะประกอบพิธีบูชามหายันคือข้าพเจ้าได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเพื่อให้เสด็จมาสวยในวันพรุ่งนี้ทานนาถาบิติกาเศรษฐีจึงถามว่าท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าหรือท่านราชกราษริเศรษฐีตอบว่าถูกแล้วข้าพเจ้าพูดว่าพระพุทธเจ้าธนนาถบิติกาเศรษฐีได้ถามท่านราชกราษรเศรษฐีเช่นนี้ถึงสามครั้งด้วยกัน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 และเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในครั้งที่สก็เข้าใจว่าสว่างแล้วยึงได้ลุกขึ้นเดินออกไปตามทางที่จะไปยังประตูป่าศีตะวันพวกอมนุษย์ได้ช่วยเปิดประตูให้แกท่านอนานถบิติกะเศรษฐีได้เดินออกไปโดยสะดวกสบายขณะที่ท่านอนาถบิติกะเศรษฐีเดินออกจากเขตพระนครไปแล้วแสงสว่างก็หายไป และความมุดปรากฏขึ้นมาแทนท่านเศรษฐีได้เกิดความสะดุ้งกลัวจนผลลุกชูชันขึ้นก็คิดอยากจะกลับไม่อยากจะเดินต่อไปในช่วงเวลานั้นศีวักยักษ์ไม่แสดงตนให้ท่านนาถาปิิกเศรษฐีเห็นเป็นไดส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างหนึ่งแสนเชือก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 อย่าถอยกลับเลยทันใดนั้นความมืดก็พลันหายไปและแสงสว่างได้ปรากฏขึ้นทำให้ท่านนาถาบิดิกะเศรษฐีหายสะดุ้งกลัวขนที่ลุกชูชันก็พลันหายไปท่านนาถาบิติกะเศรษฐีจึงสาวเท้าก้าวเดินต่อไปครั้นไปได้สักครู่เหตุการณ์เหมือนครั้งแรก ได้ปรากฏขึ้นอีกทำให้ท่านเศรษฐีท้อแท้ใจคิดจะถอยกลับแต่ก็มีเสียงของศีวกยักษ์กล่าวเตือนให้กำลังใจแก่ท่านอนาถบิิกาเศรษฐีอีกเมื่อความมืดหายไปแล้วพลันก็เกิดแสงสว่างปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถบิกาเศรษฐีท่านอนาถบิกาเศรษฐีจึงเดินต่อไป แต่แล้วความมืดก็เกิดขึ้นมาอีกทำให้ท่านอนาถาบิติกาเศรษฐีเกิดความสะดุ้งกลัวจนเกิดขนลุกชูชันขึ้นก็คิดที่จะถอยกลับแต่ศีวกยักษ์ก็ได้มากล่าวให้กำลังใจเหมือนในครั้งที่สองและเหตุการณ์ก็ได้กลับกลายจากมืดมาเป็นแสงสว่าง ด้วยท่านนาถบิติกะเศรษฐีหายสะดุ้งกลัวคนลุกชูชันก็ทันหายไปทันทีแล้วท่านเศรษฐีได้เดินต่อไปจนถึงป่าสีตะวันอันเป็นสถานที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลานั้นเป็นเวลาจูนสว่างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกขึ้นเสด็จจงกรมคำว่าเสด็จจงกรม หรือการเดินจงกรมนี้ก็หมายิึงการเดินไปมาโดยมีสติคอยกำกับอยู่โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นธนานาถวิธิกาเศรษฐีกำเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จลงจากที่จงกรมไปประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วพระพุทธองค์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 จึงเข้าไปหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับสำราญดีหรือพระเจ้าขังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยพระคถาธรรมว่าพ ร, ราหมณ์ผู้ดับทุกข์ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขแท้จริงทุกเวลาผู้ใดไม่ติดอยู่เดกามคือความใครท่ท้งหลาย มีใจเย็นไม่มีอุปธิคือสิ่งที่ขังทุกหรือสิ่งที่ยังระคลนด้วยกิเลสตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วกำจัดความโกรนกรายในใจได้ถึงความสงบใจเป็นผู้สงบสระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุขที่ว่าประวัติของทนานาถามิติกะเศรษฐีตอนต่อไปนี้ มีกล่าวอยู่ในบาลีทมพีจุลวะพระวินัยปิฎกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบท่านเศรษฐีดังนี้แล้วจึงทรงแสดงอนุภูพิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับมีห้าประการได้แก่ทรงมัญญายึงทานคือการเสียสละศีน คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติสวรรค์คือแดนอันดีเลิศล้ำด้วยกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรส พ, ทพุทธะกามาทีนกคือโทษของกามความต่ำซามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายแล้วทรงประกาศอานิสงในการออกจากกามไปบปรรพชาและในขณะที่พระองค์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 ทรงยกขึ้นแสดงเองหมายถึงอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจโสมุทัทยเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาสประการนิโรธความดับทุกข์คือดับตัณหาสประการเหล่านั้นมัก คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเรียกชื่อเตปว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปฏาทาท่านาานาถมิิกะเศรษฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้รรมจากสุธรรมจากสุแปลว่าดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากธุรีมนทินว่าสิ่งใดซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา คำว่าธรรมดาก็หมายถึงอาการเรือความเป็นไปแห่งธรรมชาติคือของที่เกิดขึ้นเองตามวิสัยของโลกเช่นคนสัตว์ต้นไม้เป็นต้นจิตของท่านอนาถาบิติกาเศรษฐีเปรียบดังผ้าที่สะอาดปราศจากสิ่งโสปครกควรได้รับน้ำยอมฉะนั้นครั้นท่านอนาถาบิติกาเศรษฐี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 ได้กราบทูสลสารเสริญพระธรรมเทศนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระภาสิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักมีความไพเราะมากพระเจ้าข้พระองค์ทรงประกาศพระธรรมโดยมีเหตุหลายอย่างเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ควม่มเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจะเห็นสิ่งต่างๆได้พระเจ้าค่ะและทานานาถาบิดากรไทยทีได้ประกาศตนเป็นอุบาสกคาว่าอุบาสกก็หมายถึงผู้นั่งใกล้พระตนาตรายัยหรือรหันธ์ผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงว่าข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะ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 จงส่งรับพัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เพื่อเจริญบุญกุศลปีติคือความอิ่มใจและปราโมทคือความบ่นเทิงใจแก่ข้าพระองค์พระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับการกราบถูนิมนต์ด้วยดุษณีภาพคือทรงนิ่งเฉยคณะนันทาพิทิกษ์เศรษฐีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทร่งรับนิมนต์แล้ว จึงลุกจากที่นั่งกราบถวายบังโคมลาและกระทําประทักษิณคือการเดินเวียนขวาสามรอบแล้วกลับไปนิเวทของท่านราชกฤหเศรษฐีฝ่ายท่านราชกรหเศรษฐีได้ทราบว่าธนานาถาบิติกะเศรษฐีนิมนพระพิสุส ง, งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมกุกเพื่อฉันปตฐ า, ารในวันพรุ่งนี้ จึงได้ถามทา น, นานาถบิิกษฐตว่าท่านกหบดีข้าพเจ้าทราบข่าวว่าท่านดานิมบนพระภิสุสงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเพื่อฉันประตาหารในวันพรุ่งนี้ก็ท่านเป็นแขกมาจากต่างบ้านต่างเมืองข้าพเจ้าจะให้ท่านยืมชับ ที่จะใช้จับจ่ายซื้อสิ่งของเพื่อจัดทําพัตตาหารถวายพระธนนาถมิติกะเศรษฐีกล่าวห้ามว่าดูก่อนท่านกระห บ, บดีไม่ต้องรอเพราะทรัพย์สําหรับที่จะใช้จับจ่ายซื้อสิ่งของต่างๆเป็นเครื่องทําพัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขนั้นข้าพเจ้ามีอยู่แล้ว พระเ้าพิมพิศาล ร, ราชาแห่งแคว้นมคตได้ส่งสลับข่าวนั้นแล้วก็ส่งพระประสงค์ที่จะให้ท่านานาถาบิติกาเศรษฐียืมทรัพย์เพื่อใช้สอยในการถวายพัตตาหารพระป่ายท่านานาถาบิติกาเศรษฐีกราบบังคมทูลปฏิเสธว่าโคเดชะฝ่าละองทุลีพระบติปกกล้าปกกระมม่ นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างร่นเกล้ารับที่จะนำมาจับใจใชส้สวยซื้อเครื่องทาพัตตาหารถวายแด่พระพิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกนั้นข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นท่านอนาถามวิติกะเศรษฐีสั่งให้บุคคลทั้งหลายช่วยกันจัดอาหาร ของเคี้ยวของฉันอันประนีตภายในนิเวศของท่านราษชกราเศษฐีโดยตรอดเวลาในราตรีนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นธ น, นานาถบิิกะเศกษฐีใช้ให้คนไปกราบทูลทิ้งเวลาฉันพัตาหารแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาฉันพตาาตัพพตพพาาพตาหารแล้วพัตตาหาร คืออาหารสําหรับพระภิสุทธิมเนรฉันสําเร็จแล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิสุสงิ์เสร็จไปที่นิเวศของท่านราชกษัตริย์เสด็แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้เพื่อพระองค์และพระพิสุสงิ์ก็นั่งลงตามลำดับพรรษาลำดับพรรษาก็หมายทิ้งพระที่บวชก่อนบวชหลัง ธ่นนาถ า, าบิติกะสิทธิได้จัดการถวายอาหารของเคี่ยวของฉันอันประณีตแด่พระภิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขด้วยมือของตนเองจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยเสร็จแล้วจึงนั่งลงในที่ควรส่วนขรั้งหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์พร้อมด้วยพระพิสุสงฆ์ จงส่งรับอาราธนาอยู่จำพรรษาในเมืองสาวัตถีอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนขราหบดีพระตถาคตทั้งหลายย่อมยินดีในสุญญาคารคำว่าสุญญาคารก็คือเรือนว่างเปล่าหรือสถานที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่าน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 ในสมัยนั้นทา น, นานาถบิติกะเศรษฐีเป็นผู้มีมิตรสหายมากมีคนเชื่อถือถ้อยคำของท่านพอท่านเสร็จการเดียกิจในพระนครราชกฤะือแล้วจดเดินทางกลับพระนครสาวัตถีเวลาที่ทา น, นานาถบิติกะเศรษฐีเดินทางกลับมาโดยลาบับได้พูดชักชวนชาวบ้านในระหว่างทางว่า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 ปราสาท ก, กลิ่นอายของคนเป็นสถานที่ที่ควรแก่การประกอบกิจกรรมในที่รับของมนุษยชนและสมควรเป็นที่หลีกเล่นอยู่ท่านก็ได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชตรราชกุมารเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดจริงเข้าเฝ้าเจ้าเชตรราชกุมาร กราบทูลว่าขอใต้ฝ่าพระบาทจงประทานขายพระอุทยานแก่ก้าวกระมมเพื่อจัดการสร้างพระอารามพระโุกะท่านผู้ฟังครับเมื่อทานานาถมิติกาเศรษฐีได้เข้าเฝ้าเจ้าเชตรราชกุมารเพื่อขอซื้อพระอุทยานของเจ้าเชตรราชชกุมาร น, นั้นจะ